สวัสดคีคัพี่น้องครับพี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่หกสิบเก้าแล้วนะครับเรื่องของมัทธิวครับการทรงเรียกมัทธิวพระชนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่เก้านะครับข้อที่เก้าครับโปรดฟังพรชนะของพระเจ้าขั้นพระเยซูเสด็จเลยตําบล น, นั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านภาษีจึงตจดกับเขาว่าจงตา ม, รมเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไป เมื่อพระองค์ประทับเสวยพระกิาหารอยู่ในเรือนมีคนเก็บภาษีและคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาร่วมสำรับกับพระเยซูและกับพวกสาวกของพระองค์เมื่อพวกปริสีเห็นแล้วก็กล่าวแก่สาวกของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงรับประทานอาหารด้วยกันกับคนเก็บภาษีและคนนอกรีดเล่าเมื่อพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้วก็ตรัสว่าคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการท่านหลายจงไปเรียนคัมภีร์ข้อนี้ให้เข้าใจที่ว่าเราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครื่อสัตวบูชาโดวยว่าเราไม่ได้มาเพื่อจะเรียกคนที่เห็นว่าชอบทำแต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกฤตพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราจะพูดถึงการทรงเรียกที่มีมาถึงมัทธิวนะครับพระเยซูได้เสด็จออกจากเรือนไปยังชายทะเลใกล้ๆบ้านของเปโตรในพระธรรมมัทธิวบทที่เก้าข้อท่เก้าา ว, ว่าเห็นพระองค์ทร ง, งทอดพระเนตรเห็นมัทธิวครับนั่งเก็บภาษี อยู่ที่ออฟฟิศของเขาออฟฟิศของเขานั่นก็คือด่านภาษีนั่นเองนะครับเพราะว่าท่านเป็นในด่านภาษีครับเพราะฉะนั้นมัตทิวเองงั้นเป็นผู้บันทึกพระจิตคุณเล่มนี้จึงไม่ต้องสงสัยครับว่าเขากําลังบันทึกเรื่องราวของเขาเองถ้าว่าเราอ่านในพระธรรมลูกนะครับเราจะไม่รู้ว่าเป็นมัตทิวครับเพราะลูกกาบันทึกว่ามีคนเก็บภาษีคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านภาษีแล้วก็มาร์โกก็เล่าว่ามีชายคนหนึ่งชื่อเลวีบุตรเอาไปอัด เลวีนั้นเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งครับของมัทธิวพี่น้องครับเปเยซูตจัดกับมัทธิวบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระเยซูไปเราจำเป็นต้องศึกษาเรื่องราวชีวิตของมัทธิวระหว่างที่ท่านได้ทรงเรียกได้ทรงเลือกสารจากพระเจ้าพี่น้องครับมัทธิวนั้นเป็นคนเก็บภาษีซึ่งคอยเรียกเก็บภาษีจากกองคาราวานที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับกองคาราวานพวกนั้นจะเดินจากเหนือลงไปใต้นะครับก็เดินจากซีเรียไปอียิปต์นะครับ หรือเดินจากเปอร์เซียนะครับลงไปอีบก็เช่นเดียวกันจะต้องส่งสวยครับก็คือต้องเก็บภาษีและก็นอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการค้าขายปลาด้วยนะครับก็คือการประมงในแถบนั้นด่านภาษีนั้นเป็นด่านอากรด้วยเพราะฉะนั้นคนเก็บภาษีก็เป็นข้าราชการที่ประชาชนชอบหรือเกลียดครับคำตอบก็คือประชาชนต้องเกลียดมากเพราะอะไรครับเป็นผู้ที่รีด นาทาเรนนะครับก็เป็นในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ร่ำรวยด้วยคนที่เป็นนากรได้นะครับต้องประมูลชนะต้องมีเส้นครับใครเสนอให้รัฐ บ, บาลมากที่สุดก็ได้งานนี้ไปจึงจำเป็นต้องเก็บภาษีให้มากพอที่จะได้กำไรครับและชดเชยกับเงินที่ต้องจ่ายไปตามเสนอประมูลไม่ว่าจะเป็นบนโตหรือใต้โตกระทำพิจารณครับเงินอากอนนั้นในสมัยโบราณในสมัยของยิวนั้นมีภาษีอยู่สองประเภทครับ ก็คือภาษีของพอลเมืองพอลเมืองชายทุกคนอายุ14ปีถึง65ปีนะครับพลเมืองหญิงอายุ12ปี65ปีถึง65นะครับทุกคนต้องจ่ายภาษีบุคคลครับนอกจากนี้ยังมีภาษีรายได้ 1% ของเงินค่าจ้างเจ้าของที่ดินจะต้องเสียภาษีท้องที่คือ1ใน10ของผลิตผลข้าวทั้งหมดนะจะต้องเสียท่าสาลครับหากผลิตผลนั้นเป็นน้ํามันมะกอกหรือเหล้าอางุ่นก็ต้องเสีย1ใน5 ยังเก็บค่าธรรมเนียมจากคนที่เดินผ่านทางหลวงนะครับก็คือเก็บค่าโทรเวครับหรือใช้กับท่าเรือด้วยคนเก็บภาษีบางคนถึงเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล้อเกวียนนะครับเรียกเก็บธรรมเนียมเหมือนกักรยานรถนะครับนะแล้วก็ศัตว์ที่มีใช้ลากเกวียนนะครับอาชญากรฆาตกรและคนเก็บภาษีนั้นจึงถูกพวกยิวนั้นจัดอยู่ในกลุ่มบุคคลประเภทเดียวกันครับนะครับก็คือมัดยิวเองนั้นก็พูดง่ายว่ารีดนาทาเล่นนะครับ เหมือนกับอัจฉริยกรเหมือนกับฆาตกรเพราะฉะนั้นสามอาชีพนี้ครับถึงถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเภทบุคคลเดียวกันเงินไรายได้นั้นตกกับรัฐบาลโรมันแต่คนเก็บภาษีชาวยิวก็ได้ค่าต๋งนะครับก็คือส่วนแบ่งของตัวเองคนเก็บภาษีก็เลยถูกขับไล่ครับไม่ให้เข้าธสสรรมศาลาแม้ว่าเขาจะเป็นคนยิวก็ตามนะครับเมื่อเรียนรู้กับชีวิตของมัตถิวนั้นเราคงไม่แปลกใจใช่ไหมครับว่าทําไมพระเยซูเรียกมัตถิวมาเป็นสาวกของพระองค์ พี่น้องเห็นไหมครับว่ามัตถิวนั้นไม่ใช่เพียงแต่คนเก็บภาษีคนหนึ่งนะครับแต่เขาเป็นคนที่มีความสามารถครับเพราะว่าถ้าไม่เป็นคนที่มีความสามารถทางด้านการค้าขายการธุรกิจระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆมีความสามารถในเรื่องของการรีษณาดาเลนนะครับภาษีออกมาจากคนได้แสดงว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะครับพระองค์ทรงเห็นล่วงหน้าถึงความสามารถต่างๆเหล่านี้ แต่ในขณะเดียูการพระองค์ก็ทร ง, งทราบครับว่าสิ่งที่ทํานี้ไม่ดีพระองค์ก็ต้องเรียกเขาออกมาเพื่อติดตามและเป็นสาวกของพระเยซูพี่น้องครับเมื่อมัทธิวจะตัดสินใจติดตามพระเยซูเขาคิดถึงเรื่องของที่เขาจะต้องเลิกลาอาชีพเก่าของตัวเองนะครับก็คือบอกลาการเก็บภาษีนะครับถ้าเรากลับมาดูถึงสาวกสี่คนแรกนั้นเป็นชาวประมงเขาทิ้งอวนทิ้งเรือไปนะครับ แต่เขาสามารถจะกลับไปออกทะเลได้อีกครั้งใช่ไหมครับแต่ว่ามัทธิวนั้นถ้าว่าเขาทิ้งโคต้าหรือสัมปทานในการเก็บภาษีเขาคงจะกลับไปประมูลใหม่ไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาเสียสิทธิ์นั้นไปแล้วการประมูลนั้นก็คงจะต้องอยู่ในการแข่งขันต่างๆเพราะฉะนั้นมัทธิวนั้นจึงไม่สามารถกลับไปเป็นคนเก็บภาษีได้อีกเลยและเมื่อเขามาเป็นสาวกของพระเยซูแล้วเขาก็ไม่สามารถกลับไปแข่งขันประชัน นะครับหรือประมูลกับคนอื่นได้โดยไม่ใช้เลขกลนทุจริตเพราะฉะนั้นบางอาชีพนะครับคนที่เป็นสาวกพระเยซูอาจจะต้องหยุดทําครับบางอาชีพจะต้องเลิกครับยังไงก็ตามครับมัทธิวเมื่อกลายมาเป็นสาวกของพระเยซูพระเยซูก็ถูกเชิญให้ไปงานเลี้ยงใหญ่มัทธิวเป็นเจ้าสัวเป็นคนร่ํารวยเป็นเศรษฐีก็จัดงานเลี้ยงใหญ่ในเมืองคาเปอร์นาอุมครับมัทธิวบทที่เก้าข้อสิบได้เล่าว่า มัตติวเชิญคนเก็บภาษีและคนบาปคนอื่นหลายคนมาร่วมรับประทานอาหารกับพระเยซูนะครับเพราะว่ามัตติวนั้นเป็นคนที่มีคอนเน็กชั่นกว้างไกลนะครับรู้จักพวกภารษีรู้จักพวกคนเก็บภาษีและพวกผู้นําต่างๆนะครับในสังคมของเมืองคาปอนาอุมนั่นเองพี่น้องครับชาวภาษีนั้นถือว่าทุกคนที่ไม่ได้ประพฤติตามกฎเกณฑ์บทบัญญัตินั้นทบทวนทุกข้อจัดเป็นคนบาปทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นจึงมีคนบาปมากมายจึงทําให้เป็นที่มา ของการที่ว่าพวกเขาต่อว่าโดยการถามผ่านสาวกของพระเยซูว่าทำไมอาจารย์ของท่านจริงรับประทานอาหารร่วมกับคนเกบภาษีและคนนอกฤทเล่านะครับพี่น้องครับปรีสีนั้นได้สร้างมาตรฐานความชอบธรรมเข้าข้างตัวเองขึ้นมาเขาสร้างความชอบธรรมของตัวเองขึ้นมาครับเพื่อที่จะวัดคนอื่นว่าคนอื่นนั้นตกแต่ตัวเองขึ้นพระเยซูทรงทราบดังนั้นแล้ว องค์ก็ทรงทราบว่าการสนับ ส, สนุสนมและร่วมประทาอาหารเป็นความสนับสน ม, มากเป็นความสัมพันธ์และมีข้อห้ามที่ชาวยิวมิให้คบค้าสมาคมกับคนเก็บภาษีและคนบาปต่างๆเพียร์ซูจริงตรัดความจริงที่เป็นสัจ ธ, ธรรมนะครับและเราหลายหลาคนก็ท่องพระบัญชีข้อนี้ได้มาระโกบทที่สองข้อสิบเจ็ดครับคนเจ็บต้องการหมอแต่คนสบายไม่ต้องการเราไม่ได้มาเพื่อที่จะเรียกคนที่เห็นว่าตัวทชอบทำ แต่มาเรียกคนที่พวกท่านว่านอกฤต พ, พั่อนผีตอนนี้นะครับตอนสมัยผมเด็กๆ็กนั้นก็ได้มีโอกาสท่องเป็นภาษาจีนนะครับได้ยังท่องและก็จําได้อยู่จนถึงทุกวันนี้คนเจ็บต้องการหมอและคนสบายก็ต้องการยังมีเพลงเกี่ยวกับเ พ, พื่อผีข้อนี้ด้วยพี่น้องครับพระเยซูทรงชี้ให้พวกปณิสีเห็นว่าหนทางที่จะเข้าถึงผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์คือมีความมีชีวิตที่คุกครีมีชีวิตที่ติดดินนะครับไปคุก ค, ครีกับพวกเขา การที่เปเยซูทรงเลือกมัทธีเป็นสาวกก็เปิดโอกาสให้พระองค์มีคอนเน็กชันให้พบปะกับคนอีกกลุ่มหนึ่งได้เพื่อที่จะเรียกเขาบอกเขาถึงความจริงในเรื่องของพระเจ้านี่นะครับก่อนที่จะจบในวันนี้ผมมีข้อคิดนะครับว่าแล้วแต่ละคนนั้นต่างก็มีเรื่องส่วนตัวที่สามารถจะเล่าให้คนอื่นฟังได้เกี่ยวกับการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าเราอาจจะเขียนเป็นหัวเรื่องได้นะครับว่าพระเยซูทร ง, ง, งทรงทาอะไรเพื่อฉันบ้าง พี่น้องคิดนะครับถ้าหากว่าคนโลกเรื้อนนั้นอยู่กับเราณเวลานี้คนโลกเรื้อนก็คงจะเล่าด้วยความเปลี่นเป้นว่าพระเยซูทําอะไรกับชีวิตของเขาคนง่อยก็เหมือนกันครับที่มีสี่คนหามเมื่อเขาอยู่กับเราสมมุติว่าถ้าเขาอยู่กับเราเขาก็คงจะเล่าเรื่องของเขานะครับให้กับเราฟังและเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็พลอยร่วมสรรเสริญพระเจ้าไปด้วยเช่นเดียวกันครับเมื่อมัดคิวตัดสินใจติดตามพระเยซูและเขาก็พาเพื่อนๆของเขามารู้จักกับพระเยซู ทำให้มีบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งมาฟังคำสอนของพระเจ้าคนกลุ่มนั้นก็คือคนเก็บภาษีพวกผู้นำศาสนานะครับแล้วเราแล้วครับเราจะต้องเล่าให้คนอื่นฟังว่าพระเยซู ท, ทำอะไรเพื่อฉันเพื่อผมบ้างนะครับเราทุกคนมีที่มาที่ไปนะครับล้วทุกคนมีประวัติศาสตร์ของตัวเองและเราทุกคนได้มีพระพรที่พระเจ้าให้กับเราในส่วนตัวแต่ละคนพี่น้องลองเล่าดูนะครับหากว่าพี่น้องปรารถนาที่จะเขียน ผ่านไลน์ของผมนะครับมีแต่ละวันนั้นมีพูดพี่น้องที่นั่งฟังไลน์หรือรับไลน์อยู่ประมาณห้าร้อยคนนะครับก็อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสแบ่งปันครับแชร์มาครับเขียนให้กระชับนะครับแล้วเขียนด้วยความรู้สึกขอบคุณพระเจ้าและคิดถานให้ข้อขิงท่านนั้นจะแตะใจและสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านครับจะขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรพี่น้องทุลักทุกท่านพี่น้องครับผมอยากจะฝากไว้นะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ แหล่งพลังสามแหล่งครับแหล่งพลังหลังแหล่งแรกที่มีต่อชีวิตของเรานะครับก็คือพระคำพระเจ้าแหล่งพลังแหล่งที่สองก็คือการอธิษฐานครับแหล่งพลังที่สามก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นคําถามก็คือว่าถ้าเราจะปรารถนาที่จะได้ฤทธิเดชของพระเจ้าในชีวิตของเรานะครับมีฤทธิเดชอยู่สามแหล่งด้วยกันฤทธิเดชผ่านทางข้อคัมภีร์นะครับเราอ่านข้อคำพีทุกวันหรือเปล่าครับสองฤทธิเดชผ่านการอธิษฐานครับ การอธิษฐานนั้นฟื้นจิตวิญญาณของเราในแต่ละวันนะครับเราอธิษฐานทุกวันหรือเปล่าครับ <c oughs> เราอธิษฐานกี่ครั้งครับต่อวันนะครับเราคิดถึงพระเยซูคุยกับพระเยซูยบ่อยๆไหมครับและประการที่สามครับแหล่งพลังที่จะมาสู่ฤทธิดเดชของพระเจ้านะครับก็คือเราได้มอบชีวิตให้พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ทรงนำชีวิตของเราหรือเปล่าเราได้มอบถวายให้ชีวิตของเรานั้นเป็นเครื่องบูชาแด่พระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าในการตัดสินใจแต่ละวันการเรียนการงานหรือเพื่อน นะครับเราจะได้ริษเตในการตัดสินใจที่ถูกต้องและมั่นคงมั่นใจในการตัดสินใจครงนี้เพราะฉะนั้นสามแหล่งพลังนี้จึงเป็นเหตุที่ทําให้พี่น้องจะได้รับริษเตที่มาจากพระเจ้าก็คือพระคัมภีร์นะครับการอธิษฐานและมอบชีวิตให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนําอาเมน